พอดีปฏิบัติที่ตรงนี้เนี่สมมุติเอาแล้วก็เดินทางไปด้วยจิตว่าอย่างไรก็ได้เละเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแนบหนึ่งสิ่งเหล่านั้นวัตถุทั้งปวงเดี่ยว เ, เห็นวัตถุเห็นปรัตาสเห็นอาการตายเห็นไหมไม่ใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจตัวรู้ตัวเห็นตัวเข้าใจเนี่ยรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเนี่ยว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเอง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 ความรูปเป็นนามอันนั้นมันเป็นนามแต่มันเป็นรูปผวมคิดขึ้นมามันก็รู้เท้ารู้พันรู้จับกันรู้จักแก้รู้จับเหตุรู้จับผลอันนี้เป็นการเริ่มต้นทําให้บุคคลผู้ที่รูปเป็นพระได้ดังนั้นที่เราสวดปริตะมงคลกันอยู่บ่อยๆว่าพุทธะโลกฐ ร, รมเมหิจิตตังยศนักกรรมปติอโศกังวิรัสังเทมังเราสวดกัน